ดีแขนให้ตรงนะฮะตรงถ้าแขนตรงมันก็จะชิดหูก็จะหนักนิดหนึงสําหรับคนไม่เคยหายใจเข้ายมือขึ้นหายเขี้ออกหายใจเข้าขึ้นหายใจออกมือ ล, ลงจังหวะลงหายใจ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 หายใจให้ลึกออกยาวเข้าลึก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 เพราะว่าวงคนที่ไม่คุ้นเนี่ยถ้าพลังจักรวาลจะทำให้เกิดเวียนหัวมืดหน้าทาลายพ อ, พอพอทำท่านั้นเสร็จก็นอนยาวเลยมันก็จะได้พักเพราะนั้นเรามาเริ่มท่าที่สองคือท่านอนลงโดยกันงอตัวเป็นกุ้งบบเมื่อวานคือเอามือทั้งสองล็อกไว้ที่ไทรแล้วก็นอนไปหายใจเข้ายกเท้าขึ้นตรง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 หายไปข้างหลังหายเจออีกหนึ่งสองสามยใจเข้าเสร็จแล้วก็นั่งทับโซนลงหายใจเข้ายกมือขึ้น แขนแนบหูจับลุหายใจออกเหยียดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไลได้นะครับแตะพื้นห้ยใจเข้าหายใจออก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 ทอา น, นี้เป็นการยกลบตัวขึ้นเป็นลักษณะสะพานโคง้งแต่ไม่ใช่ยกแบบนี้นะแอนลาตัวขึ้นให้ตรงหรือแอนแล้วก็โค้งแบบนี้นะหายใจเข้าก็โยกลบตัวขึ้นแบบนะี้ให้สูงแล้วก็ปล่อยศีรษะลงไปอีกด้านหนึ่ ง, ยงพยายามยกตัวโพกให้สูงแล้วหายใจออกก็ลดตัวโพกลงระหว่งางแขนทั้งสอง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 อ้ายเจออ้าเจ้าอ้ายเจออ้าเจ้า เจหายใจเล้าหายใจเข้าหายใจเข้า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 สองสามแลกวกดตะโพกลงแห่น้าดูพยานน้าดูพยานกดตะโพกลงให้จำหายใจเข้าเดินเท้าเข้ามาหนึ่งสองสา ม, สามกดที่สะลงหายใจออกเดินเท้าออไปสามเก้าหนึ่ง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 ศีรษกดแล้วก็ทำแบบนี้นะเอาศีรษะลงแทนแล้วก็ยกตัวขึ้นเอาศีรษะกดกับพื้นเอานือทั้งสองกดไว้ในะจเข้าออกไปหลครั้งอันนี้เลือดรเรื่องศีรษะทำให้โลหิตฝอยในศีรษะของเราแข็งแรงไม่ปีดไม่แตกง่ายเองทำดูนะแล้วนะพอทำอย่างนี้ก็สามารถ ทิ้งเอาไว้สักสองสามนาทีก็ได้แล้วแล้วนั่ง ค, คงู่ข่าวลงหายใจเข้าเหยียดมือทสองขึ้นหายใจเขา้า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 ห7 8 9 10เอาก้าบออกมามือตั้งเหมือนเดิมหงหลังมือกขหากันเมื่อกี้เรายกมือซ้ายคล้อมมือขวาที่ได้ยกมือขวาคล้อง ม, มือซ้ายแล้วก็ประกบกันเหมือนเดิมเมื่อกี้เราบริหารแขนขวาลมปลายซึ่งขวาบริหารลมปลายข้างซ้าย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 หายใจออกอีกครั้งนึง่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีกครั้งนึง่งค่ะหายใจเข้า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 ห้านาทีแต่พอทำลมปราณแล้วมันผ่อนคลายก็ไม่จะเป็นถึงทําท่าพักศุกร์ถึงท่าพักศุก็คือการผ่อนคลายให้คือการผ่อนคลายเราะนั้นลมปราณทั้งหมดก็ทําให้ผ่อนคลายหลังจากนี้เวลาเหลืออยู่ประมาณสิบนาทีแล้วก็ไปดื่มน้ําพอดื่มน้ําใครเข้ามาก่อนก็ทวัดสดมุนใครเข้ามาที่หลังก็หลังจนกว่าถึงเวลาตอนนี้กลับพพร้อมกัน